มาคือได้เห็นความสุขและเห็นทางปทุกข์คืออาตมาอยากาให้โยมให้มาทางนี้กันเถิดเราทุกคนที่ได้มาเกิดนั้นเราไม่รู้มาเกิดเราไม่รู้มาจากไหนอาตมาคือได้มองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคือได้เห็นอาตมาเมื่อก่อนอาตมาคือคือได้มาเป็นเช่นนี้อาตมาถ้าพูดไป คือโมมยมบางทีโยมเอไม่าพูดไปบางทีโยมไม่เชื่อครับไม่ต้องพูดว่าอาตมามาแต่ไหนความแท้จริงทีอ่อาตมารู้แล้วปรวัติของอาตมานั่นเมื่อก่อนเป็นอะไรนี้อาตมารู้แล้เป็นอย่างเลยเมื่อก่อนอาตมา ก, ก่กรเป็นสัตว์โยมเป็นสัตว์จริงๆนะเดี๋ยวนี้อาตมาไม่ต้องพูดเป็นสัตว์อะไรนะคือเอาแต่ก ค้อยพูดก่อนนะเอาเธออาตมาเคยเป็นสัตวจริงๆเอาเธอเป็นสัตว์องเกยนี่แล้วอาตมารู้ทุกอย่างเลยเรื่องนี้เรื่องสาวรรค์อะไรเรื่องลูกมนุษย์โยมทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นโยมว่ามนุษย์นั้นคือไม่ใช่เราคือเชื่อว่ามนุษย์ไม่ใช่เราจริงๆโยมโยมแท้จริงมีดวงจิตดวงหนึ่งเชื่อลวงวิญญาณดวงมาจุดเตยโยมมาจุดตยถ้าโยมมีบุญมาก โ ย, ย, ย, ย, ยมหมดบุญจากเมืองสวรรค์แล้วลงยมลงลงมาเกิดในเ ม, ม, มือง ม, มนุษย์โยมลงเมืองมนุษย์โยมทําอะไรยลโยมโยมมาสร้างบุญสร้างผูศรมาสร้างบารมีในเมือง ม, น, ม, น, มนุษย์โยมคือเดี๋ยวนี้โลกมนุษย์โยมเทว ด, ดาโยมเป็นเทว ด, ดาลงมาเกิดในเมืองมนมุษย์ถ้าเราไม่เชื่อกรคำสั่งสอนองค์สัมมาพทุทธเจ้าแลยนั้นแหละโยมเราจะกลับไม่ถูกเลยเรามากลับไม่ถูกเรามาหลง คือสมบัติของโลกว่านี่เป็นของเรานี่เป็นของเราทุกทิ้งอย่างไม่เป็นของเราไม่ร่างกายที่เราอยู่ไม่ใช่เป็นของเราอยู่แล้วเโยมนี่คือเป็นของธรรมชาติผู้สร้างนะพระธรรมผู้สร้างร่างกายให้ร่างกายเปรียบเหมือนกับบ้านโยมบ้านที่เรามาอยู่มาอาศัยเขาเพราะสร้างบ้านให้เรามาอยู่พอมาอยู่เล่นงนี้เหมือนกับทุนอยมเขราเรามีทุนแล้วเราตามมาเลยโยมกว่าเขาจะเอาทุนหลบโยมเพราะเอาทุนหลบแล้วเราไม่ ามความดีไม่สร tamam. ้างบุญไม่ช <ams> ่วยเหลือทางพุทธนาไมช่วยเหลือพระพุทธเจ้าแล้วโยมเราช่วยเหลือก็เลยโยมเราทุกคนเกิดมาได้รู้ว่าเราเกิดมาเราได้มาเกิดแบเป็นมนุษย์ในร่างกันเพราะอะไรโยมเพราะพระพุทธเจ้าโยมผู้ทรงให้เกิดมาให้เป็นมนุษย์ได้นั่นคือพระพุทธเจ้าทรงให้มาเกิด้อยู่ในร่างของชื่อชื่อมนุษย์อยู่ร่างพระตามนั่นแหละโยมนี่แหละเรา เราต้องเชือ่อใจพรเอศักคุณของพระพุทธเจ้ามากมห า, าสาลโยมและพระเจ้าให้อะไรในโลกนี้โยมมาเกิดโยมไม่ได้พบพระเจ้าจีนโยมในพบคำสั่งสอนขององค์พระพุทธเจ้าว่าให้ลูกให้ลู ก, ลกทุกคนในหลักศีลคือศีลคือเป็นหลักสําคัญที่สุดโยมถ้าผู้มีศีลผู้จะหน้ามานทุกถึงทุกอย่างโยมถ้าเรามีเสียงความชั่วต่างหลายจับไม่เข้าจูนในตัวกองเราและไม่เข้าอยู่ในใจของเราคือศีลคือเป็นการให้ หผู้ผู้สร้างง่ายคือร่างกายเรานี่คือมีขันคือกันห้าผู้สร้างง่ายนี่ร่างกายของเราทุกคนโยมบางคนที่เป็นโรคโยมโยอมอย่าโทษใคยเป็นโรคโยมโทษตัวเองว่าเมื่อก่อนโยมโยมเนี่ยโ ย, ยมมาเกิดในโลกนี้โยมไม่หมดจ้ะ ไม่หมดอยากกี่เลยไอ้ตัวกรรมมันติดตัวเราอายตัวกรรมมันติดอยู่ตัวเราโยมบางทีบุญก็มีกรรมเขาก็มีโยมนี่ก็บุญกับกรรมที่อยู่กับเรานั้นบ า, om, บ, าาบางทีโยมมามีโรคมากบางทีโรคน้อยบอกถ้าโยมมีบุญมากแม่โยมมีความสุขมากถ้าโยมมีกรรมมากโยมมีความทุกข์มากโยมนี่เราต้อโทษตัวเองเดี๋ยวนี้โยมได้มาพบอาตมาอมาตรมันจะบอกโยมโยมเอะต้องพยายามทีุ่ะว่าคือให้เอาสิ่ง กิงที่ไม่ดีกรรมต่างหลายที่ในตัวของเรายังแกงรออกไปหมดเลยอยู่ออกไปหมดเลยโยมไปเกิดที่หนอยโยมจะกรรมจะตามไม่ได้โยมออกออกตอนนี้โยมออกตอนนี้โยมโยมรู้ตัวเองว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีกรรมไหโยมโยมออกเสีย ในใจเรามีมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในจิตเรายอมอกอยโยมผู้รู้เองว่าเอคือสวรรค์ในอกนรกในใจโยมนี้นะยอมยอมต้องพยายามเลกจิตให้ตลอดโอ้จิตของเราเนี่ยเหนื่อยอยู่ยอมยมต้องเล่จิตตลอดรักษาจิตให้ดีถ้าโยมรักษาจิตดีแล้วโยมเรื่อง่างกายก็ดีไปด้วยเราเกิดมาในโลกนี้อะไรเป็นพื้นของเราคือร่างกายกับจิตและเป็นพื้นพื้นถ้าโยมไม่รักษาจิตไม่ไม่ ไม่เป็นแล้วรักษาใจไม่เป็นเร้วโยมรับแต่ความทุกข์ความลําบากโยมต้องรักษาให้เป็นรักษากิตให้เป็นรักษาให้เจิตรักษาอย่างไรโยมท้องแล้วว่าจิตไม่ดีอย่าให้เข้ามาจิตเข้าจิตคือถึงไม่ดีคือกรรมดังนั้นโยมเอาแต่บุญยมแต่ความดีโยมคิดว่าได้โยมคิดความจะทําความดีโยมความดีเข้าในตัวคองโยมทันทีเลยเมื่อวันนี้โยมในมาวัดโยมโยมรู้ไหมคือมาวัดมาทําไมโยมมาวัดมาทําไมโยมต้องรู้เออเมื่อมาทำไมโยมต้องรู้ จิกก้าโยมดูโอ้หน้าน้ามาจีงวัดโยมยมรู้นี่โยมมาเนี่ยพียงเขาว่ามาวัดมาวัดโยม เอ๊ะนิยมโยมไม่รู้โอมสาคัญอย่างเลมาวัดทําการอย่างเลยถ้าโยมรู้ความสำคัญโยมเออกุ่นเต็มในหมดในวัดโยมนิยมยังไม่รู้สาคัญอย่างเลยเมื่อสมัยก่อนโยมเรื่องมาวันมาวัดเป็นวันสําคัญเป็นวันสังสิตเป็นวันของพุทธศานาโยมเป็นวันของพุทธศาพุทธว่าให้โยมทั้งหลายทุกคนคือให้มาวัดกันเถิดนิยมเดือนแต่ที่ครั้งเรามาเรามารักษาโยมมารักษาโรคโยมเดี๋ยวนี้โลกมนุษย์โยม อไม่ในรักษาเลยไม่รักษาเลยรวมทุกฟ้าเลยโยมไม่ครับไม่ไม่ได้มาวัดอยู่ก็ไม่ในรักษาลูก พาไม่หลักฐานลูกนี่โยมอุกปันเมาเกิดเลยมันบางเคยอะไรบางเคยเป็นโรคเจ็บนั่นนั่อย่างนั้นอย่างนี้โยมเพราะอะไรโยมไม่ได้มาวัดมันไม่หักษานลูกนี่กรรมขององค์ธรรมพระเจ้าคือพระสงฆ์เป็นตัวแตนขององค์ธรรมพระเจ้าแล้คือได้คำลังที่ใช่มาอยู่ที่วัดโยมแล้วไม้เอามาเลยหน้าที่จะช่วยโยมให้ได้ว่าทำยังเลยถ้าโยมนั้นมีความถูกโยมแต่ยามมาถึงต้องเลยโยมต้องมามาวัดคือมาวัดจิตเกของโยมต้องเลยจิตโยมโยมทุกอะไร บอกว่าที่โยมพูดเป็นบาลีเอ๋อาจจะโยมฟิตทุกมากเกินปล่อยทุกป่วยเลยคือเอนี่คือคือนรกอยู่ในจิตแล้วยมเอาออกแค่เลยโยมออกแค่เลยก็ยังออกโยมคืออาจาบาลบอกโยมว่าโยมออกเลนะนั่นสิ่งที่ไม่ดีเนยที่ออกแค่โยมเอาเอาศีลไปเฉยเลยโยมเอาศีลวันนี้โยมคือได้เอาศีลเอาศีลและได้รับได้รับศีลของอาญานออกแล้วยอมงั้นโยมรักษาศีลโยมสิ่งที่วินญาณโยมออกเลยโยมนี่คือบุญนี่ศีลเป็นหัวใจของ องศาหมาพุณเจ้าโยมนี่ในสินที่จะนํำทางโยมให้ไปไม่หลงทางโยมถ้าโยมไม่มีศินอธรมารับรองหลงทางแน่นอนโยมถ้าโยมมีศินโยมออกจากโลกนี้แล้วโยมนี่แล้วยองสักวัแล้วยอมร่มมีศินอะไรก็มารมารักโยมไม่ได้พาโยมไม่ได้พื้นโปโยมพ่อต้องจะตายโยมมามากเลย คือสัตว์นรกมามากโยมยิ่มาพาโยมบ่อยโยมโยมจะไปทางไหนหลีอโยมอาจจะมาเคยได้เห็นว่าผู้ที่ตายโยมได้เห็นว่าได้นี่ขึ้นเป็นเรื่องจริงโยมอาจจาบอกว่าอ๋อลุงเอ้ยไม่ลุงเอ้ ย, อยนะไปสวรรค์โยมนะไม่ไปกู้ไม่ไปกู้ไม่ไ ป, ไ, ไ, ปไปนรกนี่เขามามากเลยเลยมากันมากว่ะ ก็ไปพาคูไปนรกกูไม่ไปสรวงอาจจมาบอกให้ไปสรวงไม่ยอมไปเลยอยุดเพราะอะไรเพราะเขาทาแต่สิ่งไม่ดีก็อยากไปนรกเพื่อพวกที่มามาจากขึ้นนรกหยุจะพาปล่อยดีจอยเลยพาโยมพาปล่อยโยมนั่นแหะโยมถ้าโยมที่มีบุญระโยมสมบุญโยมกับพวกที่มีบุญระโยมมารับโยมมารับโยมโยนี่ฉันเป็วดาฉันนางกว่าฉันอะไรเนี่ยโยม้ามาพูด ยิ่งง่ายเป็นมารักโยมเพราะโยมมีบุญโยมเป็นคนของอุปนิพพระพุทธเจ้าโยมโยมมีศีลคือศีลนี่เป็นหลักโยมถ้าโยมมีศีลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างโยมจัดหน้าทุกอย่างไม่ต้องกลัวเลยเพราะศินเนือทุกสิ่งทุกอย่างโยมไม่ต้องกลัวเลยร่างกายของโยมอาตมาบอกโยมมันเจ็บโยมอาตมารับรองว่าโยมต้องหายแน่นอนโยมทุ่มรักษาไอ้ศิลไอ้จริงโยมให้สิ่งจริงร่างกายไม่มีอะไรคือโค้ชแดงให้เราเห็นว่าความเจ็บนะ้อ้่สอนเรา เราอ่านเราว่าเอ๊ะมันเจ็บเพรพะอะไรเรายังไม่รู้จิตเลยูรู้โยม จิตนี้จิตู้รูปมันเจ็เพวกอะไรเคยทําให้เจ็ดโยมโยมกรูลแล้วร่างกายของเรามันกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนปลี่ยเมื่อก่อนโยมร่างกายลมแอไม่มีโยมมีเปรียบเหมือนน้ําตกเดียวเลยน้ําตกเดียวโยมในร่างกายมีน้ําตกเดียวบางเกิดน้ําตกเดียวเมื่อตกไปมันมันตื้นข้นพุธวีขึ้นเขาขึ้ตามเวลาโยมทําให้เป็นปากให้เป็นหูได้เป็นตาให้เป็นมือโยม เราทําหมหยุดเราไม่ได้ทำเอยหยุของธรรมชาช้าท่านผู้สร้างง่ายก็ทำไหมก็แต่ง่ายและเรามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวโยมพออยู่แล้วใครผู้รักษาโรคผู้รักษาโยมถ้าเราไม่รักษาอยู่ได้ไร่างกายอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่รักษ า, กษ า, า, า, กษาคือว่านีา่โยมในงานมักจะว่าผู้ดว่าอ่า เกิดมาโยมเออตกเฉยเลยโยมเห็นไม้เพราะไม้ผู้รักษาต้องมีเทวดาญรักษาเทวดาอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของโยมโยมมีเทวดาอยู่อนี่โยมโยมเออเทวดามารักษาเทวดามา่าต่อเทวดามรักษาที่ตักไม่เทวดาที่ไหนเทวดาในตัวของโยมรักษาอยู่แล้วรักษาตอนลูกโยมมาเติมตัวมาสุติเทวดาองค์นั้นละโยมโยมรักษาเทวดาและโยมพยายามตำมุนให้มากมากให้เทวดาในตัวของโยมเนี่ย โยมเองเป็นเทวดาเองโยมไม่เห็นตัวเองและโมไม่เห็นเทวดาความจริงโยมไม่เป็นเทวดาอยู่แล้วโยมทำไมโยมไม่รักษาเทวดาทำไมโยมไม่ทำบุญให้เทวดาโยมต้องทำบุญให้เทวดาเทวดาองค์นั้นเลยจะอยู่ทุกคนอยู่เป็นเทวดาดังนั้นนี่โยมไม่รู้จักเทวดาที่อยู่รักษาเราว้าเรโยมเอากจมารักษาเรา ตัวเราต้องรักษาเราเทว ด, ดาต้องรักษาเทว ด, ดาในตัวของโยมคือพระพุทธสนกัญโยมพระพุทอยู่ในตัวของเราต้ตาองโยมําจิตของโยมให้เป็นพระพุทธโยมนั่นแหละคือใจของพุทธะใจศี่รษะใจบริสุทธิโยมนั่นเลยโยมโยมทุกคนอยากทุกคนอยากเอาสิ่งทีสิ่งดีๆโยม เอ้โยมไม่ทําละโยมอย่าเอาสิ่งดีดีสิ่งดีดีละโยมคือทำให้เป็นทุกสิ่งดีดีทำเราไม่ผ่านเราไม่เอาหยุดเพราะอะไรโยมไม่ไม่รู้จักจะเอาโยมไม่เห็นเอ้ มันอยู่อย่างนั้นอยู่ยางนั้นโยมคือตามที่เราไม่รู้เอาแต่นั้นอะไรมารับมาอะไรมารับมาเ้าได้รับอยู่ไม่ร่อยทงนี้ดีมากโยมดีจะรับไม่ดีจะรับจงนั้นคือชั่วบุญกับตามเราตัดเลยว่าเราไม่เอาเด็ดขาดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วต่างรับเอาเด็ดขาดจงตัดเลย โยมต้องพยายามเอาสิ่งที่ดีโยมต้องมีความถูกต่างโลกนี้และโลกหน้าโยมขอทั้งหลายอาตมากอบรรยายถามขอโยมทุกคนให้เข้าใจว่าเราเรื่องศาสนาเรื่องสําคัญที่สุดโยมนะเราอย่าตุ้มพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพ่อของเราที่ส่งอันมาเกิด น, นี่คือพ่อสวรรค์โยมโยมยิ้มได้ใบใจได้เราพ่อของเราได้เป็นโพติสัตว์ พ่อของโลกผู้ช่่อสูงสุดในโลกนี้ พ, พ่อผู้สร้างโลกผู้สร้างศาสนาะโยมภูมิใจ ว, ว่าเราจะไม่ทุ่มพ่อในจาติไม่ทุ้มประพุทธเจ้าในกาจุาต้องมั่นใจเราไม่ทุ้มเราไม่ทําชัรร่วในกาดโยมถ้าเราทําความชั่วเจ้าเราทุ้มพ่อทุ้มศาสานาะทุ่มประพุเจ้ายกนั่นคืาต่ำต่ำความชว่านี่เปรียบเหมือนว่าโยมมีมีพ่อ มีพ่อของเรามีพ่อแม่โยมนี่ถ้าโยมรักพ่อแม่โยมไม่ทําความชั่วเอ้ยทําไม่ได้พ่อยี่เสียใจไม่เสียใจนี่และเราจะไม่ทําความชั่วให้พ่อนั่นคือพ่อที่โลกมนุษย์โยมนี่องค์ธรรมมาบอกว่าไอ้โยมรักษาพ่อที่เกิดเก้าวเยมพ่อเนี้ยพ่อพ่อแม่ที่เมืองมนุษย์โยมมีเปรียบเหมือนพระอานของลูกเหมือนกันนี่เลขคือเจ้า เจ้าพ่อที่สร้างโรงมีสร้างร่างกายให้เรานี่เราโราเชื่อจูคุณของพ่อของแม่กับของพระที่เจ้านี่จึงจ้าของบุญโยมโยมต่างหลายที่โยมทําหารทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าละให้ก็นให้ลกตัางนั้นพ่อโยมมีบุญโยมให้ลูกต่างนั้ น, มม น, นถ้าลูกไม่ทำดีเลยโยม โยมให้ได้มาโยมให้ไม่ได้โยมถ้าโลกไม่ทำดีโลกไม่รักพ่อไม่รักแม่โยมโยมให้ไม่ได้โยมนี่แหละลูกต้องตกตามเลยตกตามนี่เหมือนกันโยมถ้าโยมไม่ทำความดีแล้วโยมเล็กชาจะโยมไม่รักพระพิจารณ์โยมเนี่ยมันจะนิยมก็ใบจริงโยมวัดสบายนิยมแล้วใบเคยผู้รักษาโยมต้องดูแลนี่วัดนี้วัดโภงเคยโยมเป็นวัดของพระพิจารณ์วัดของศาสนาโยมโยมล่าไม่ได้ทุ้งไม่ได้โยมถ้า โยมรักศาสนาโยมรักสาวัตย์โยมแต่สาวัตอาตมาอาตมารักเอยพรักผู้ทีเจ้าเขาก็มาบวโยมเข้ามาบวชอาตมาจบทางโลกแล้วโยมจบแล้วทางโลกอาตมานี่คือคือจะนึกทางโลกโยมนะทางโลกคือเรียนจบมาแล้วทางโลกโยมอาตมามีลูกสิบคนดูทางโลกลูกสิบคนจริงๆโยมคิดดูและโตปอยอรเลยบุญอาตมามากสีเดียวโยมคือ อ, องธรรมมาพุทธเจ้าทรงโลกที่ดีให้มาเกิดโยมหือขวัญเป็นจริงเลยโยมเป็นผู้ที่บุญต่างนั้นรักพ่อแม่รักพักรักพ่อแม่มากอยากไปทําบุญโยมนี่และเป็นคนที่ดีบายภูมเจอยว่าเออโหนี่บุญจริงๆแิงเลยมาอยู่มาบวชไม่เอาอะไรแล้วโลกก็สบายแล้วคือสบายแล้วคื อ, คอต่อไปอาจมาพุทธว่าเอาเติดอาจจะมาทักพยายามคือว่าโลกเมื่อก่อนจะมาเห็นพ่อ ไม่อยากให้ลูกว่าไม่ให้ไม่อยากให้พ่อปวดเลยกลัวพ่อลำบากพ่อจะไม่กลัวพ่อมุนจะพ่ออยู่กับหลวงพ่อโสตอยู่พระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่พระเจ้าไม่กลัวตายเป็นตายอยู่ไม่กลัวนี sheriff, ่และตายซะตายตายไปอยู่พระพุทธธรรมพระสงฆ์โยมจะไม่กลัวอะไรแล้วนี่เลยโยมขอโยมทุกคนต้องมั่นใจเลยว่าเรารักพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดามดีดีให้มากที่สุดโยมโยมดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยจะเปิดมาเอาบุญและเป็นกิตพิคุณโยมธรรมมาก็บรรยายตามเพ่อปโสมเวลาขอโยมท คนมีความสุขวางใจเรนะิญอยายุวันดูสุขงางพลาง